บางครั้งก็ต้องใช้อธรรมซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเราจะดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติกิจทางใดทางหนึ่งของชาวโลกก็ตามเราจะต้องใช้ธรรมะอยู่เสมอเพราะธรรมะนั้นเป็นเครื่องรักษาโลกและคํำจุนโลกนี้ไว้ให้อยู่กันอย่างสันติสุขทั้งผู้ที่ปฏิบัติธรรมะก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโลก และจะต้องไม่มาข้องเกี่ยวกับเรื่องของโลกจะต้องปฏิบัติแต่ธรรมะอย่างเดียวซึ่งอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะนั้นมีไว้เพื่อโลกไม่ใช่เพื่อที่จะไปจากโลกถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าโลกกับธรรมนั้นไม่ข้องเกี่ยวกันก็เป็นการศึกษาพ ร, ระพุทธศาสนาที่ผิดอย่างยิ่งและไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้สอนศาสนาไว้เพื่อชาวโลกคําว่าโลกาุจรัรมปายะซึ่งเป็นพุทธโอวาทที่ได้ประทานให้แก่พระสงฆ์ในสมัยที่จะจาริกไปเผยแพร่พุทธศาสนานั่นก็คือการสงเคราะห์โลกคําว่าสงเคราะห์โลกในที่นี้ก็คือให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้พึงอนุเคราะห์ต่อชาวโลกนั่นเองท่านยิ่งตัดว่าโลกาุจัมปายะคือพึงสงเคราะห์ต่อโลกด้วย ฉะนั้นโลกกับธรรมจึงต้องเป็นของคู่กันถ้าหากว่าโลกขาดธรรมะโลกนี้ก็เดือดร้อนถ้าหากว่าโลกไม่เป็นโลกคือโลกไม่เกิดขึ้นธรรมะก็ไม่จำเป็นเพราะเหตุว่าเราเกิดมาในโลกธรรมะเนี่ยจึงจาเป็นอย่างยิ่งคู่กันกับโลกหรือคู่กันกับสัตว์ที่เกิดมาในโลกทีเดียว ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาเรามาสู่โลกนี้ไม่ใช่มาอย่างผู้ที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์แล้วเราก็คงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เราเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์มาก่อนหมายถึงจิตของเรานั้นยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลสทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ตางคนต่างก็หอบเอากิเลสกันมาคนละมากมายไม่มีใครเลยที่ไม่ได้หอบเอากิเลสติดมาด้วยทุกคนมีกิเลสติดมาทั้งนั้นจะเป็นอวิชชาปัญหาอุปาทานหรือกรรมหรือจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอะไรต่างๆเรามีติดตัวกัมาทั้งสิน้นหอบกันมาตั้งแต่เกิดแล้วฉะนั้นเมื่อทุกคนที่เกิดมาในโลก ก็หอบเอากิเลสติดตกันมามากมายอย่างนี้ถ้าหากว่าโลกนี้ขาดธรรมะเสียโลกนี้จะเดือดร้อนอย่างไรเราจะเห็นได้จากในสังคมที่ขาดธรรมะหรือบุคคลที่ขาดคุณธรรมเป็นเครื่องเครื่อยึดเหนี่ยวในจิตบุคคลเหล่านี้จะก่กอความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมมากมายแค่ไห น, นเราจะศึกษาได้จากความเป็นไปของโลกทั้งในอดีตในปัจจุบัน ว่าได้ประสบกับความเดือดร้อนด้วยอํานาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของสัตว์โลกนั่นไม่มีใครเลยที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเกิดขึ้นนอกจากมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่เป็นผู้สร้างแสดงให้เห็นว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยเดือดร้อนด้วยอํานาจของกิเลสฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีหลักธรรมเป็นหลักปฏิบัติแล้วโลกก็เดือดร้อนดังกล่าวธรรมะจึงจําเป็นสําหรับโลก เราทุกคนที่เกิดมาต่างก็จะต้องใช้ธรรมะกันตั้งแต่เกิดจนกว่าเราจะตายจากโรคนี้ไปแล้วแต่ใครจะปฏิบัติได้มากน้อยหรือใช้ธรรมะขัดเกลอกิเลสที่เราได้ติดตัวมาผลลัมมากนี้ให้หมดไปหรือเบาวบางลงเท่านั้นเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ผลแห่งการปฏิบัตินั้นนอกจากจะต้องป้องกันอันตรายต่างๆที่ได้อธิบายเมื่อครั้งก่อนนี้แล้ว เราจะต้องเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในจิตเราจะต้องมีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยต้องเชื่อในความตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นี้ต ร, รัสรู้อริยสัจสี่ได้จริงถ้าหากว่าเราได้ประพฤติตามหลักอริยสัจแล้วเราก็พ้นทุกข์ได้จริงความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธองค์อย่างนี้เรียกว่าสรัทธาขตตโกธิศรัทธา เราต้องมีศรัทธาข้อนี้เป็นเบื้องต้นแต่ประการที่สองต้องเชื่อมั่นในกรรมต้องมีความเชื่อในกรรมในกุศลกรรมที่เรากระทำลงไปว่ากุศลกรรมที่ทำครั้งนี้ย่อมมีผลผลแห่งกุศลกรรมเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ว่าผลแห่งกุศลกรรมนั้นย่อมมีอยู่เราเชื่อในในกรรมคือการกระทาเราเชื่อในผลของกรรม ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทํากรรมความเชื่อเช่นนี้เรียกว่าศรัทธามีศรัทธาอยู่เป็นคุณสนับำนุนอย่างนี้ก็สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายได้ออข้อที่สองคือชั้นพะเนี่ยสำคัญมากชั้นพะนี่เราแปลว่าความพอใจความพอใจความจริงคําว่าชันพะนั้นในด้านของการปฏิบัตินี้ หมายถึงเราพอใจในปฏิปทาอันไม่มีค่าสึกปฏิปทาอันไม่มีค่าสึกก็หมายถึงเรามีความพอใจในการปฏิบัติและการปฏิบัติอันนั้นเป็นการปฏิบัติไม่มีกิเลสเป็นค่าสึกภายในจิตของผู้ปฏิบัติก็ปฏิปทาของคนหรือของผู้ปฏิบัติเนี่ยมีอยู่สองประเภทปฏิปทาบางประเภทเป็นการเพิ่มปูนค่าสึกให้เกิดขึ้นภายในจิต ปฏิปทาอีประเภทหนึ่งเป็นการขจัดค่าสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตให้หมดไปบุคคลผู้ที่มีปฏิปทาอันไม่มีค่าศึกผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีฉันทะที่ถูกต้องในการปฏิบัติส่วนบุคคลใดที่มีปฏิปทาอันเต็มด้วยค่าศึกบุคคลนั้นชื่อว่าปฏิบัติผิดไม่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ได้วางไว้ ฉันั้นปฏิปทาคือหลักปฏิบัตินี้จะต้องเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่มีค่าสึดค่าสึดในที่นี้หมายถึงค่าสึดที่เกิดขึ้นภายในจิตในตัวเราเองก็คือกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นค่าสึดเรามีความพอใจในปฏิปทาอันเป็นเครื่องขัดเราหรือเครื่องขจัดค่าสคือกิเลสเหล่านี้ความพอใจเช่นนั้นแหละเรียกว่าฉันทะในการปฏิบัติ ทุกท่านที่จะปฏิบัติธรรมะได้ผลนั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมะข้อ น, นี้เป็นส่วนสนับสนุนมิฉะนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัตินี้จะเกิดผลโดยสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้ฉันท่านี้นับว่าสำคัญประการที่สามปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงความเห็นชอบอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบในที <tang ar> ่นี้คือเห็นชอบในโลเคียธรรมและโลภุตระธรรมโลเคียธรรมในที่นี้หมายถึงโลเิีะปุศุลธรรมกับโลภุตระปุสุลธรรมบุคคลผู้มีความเห็นชอบหรือเป็นผู้ที่มีสมาทิฐนั้นคือผู้ที่มีความเห็นชอบทั้งฝ่ายโลกคียและฝ่ายโลภุตรธรรมเห็นชอบในฝ่ายโลเคียธรรมในที่นี้ก็คือ เราเห็นชอบในความดีหรือในกุศลที่ทําไว้ในด้านของโลกิยะว่าย่อมจะเกิดผลในโลกีส่วนในโลกุตรธรรมนั้นเมื่อบําเพนกุศลถึงขั้นโลกุตระแล้วโลกุตรธรรมก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติฉะนั้นผู้ใดที่มีความเห็นชอบทั้งในฝ่ายโลกียะและโลกุตระผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นทั้งฝ่ายโลกิยะและโลกุตระแล้วปัญญาก็ยังไม่เกิด เพราะการปฏิเสธโลภียาุู้สนโดยมุ่งหวังโลภุตระผู้สนเพียงอย่างเดียวนั้นก็เป็นการปฏิเสธที่ไม่ได้รับผนแห่งการปฏิบัติเพราะว่าบุคคลจะไปสู่โลภุตระรมได้ก็ต้องอาศัยโลภิยธรรมที่สมบูรณ์แล้วหมายความว่าผู้ที่จะบรรลุ ถ, ถึงซึ่งพระนิพพานได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีผู้สนขั้นโลภียเนี่ยสมบูรณ์แล้วจึงจะมุ่งไปสู่พระนิพพานได้ อย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เตรียมตัวสร้างผุ้สนที่เป็นโลภยะผู้สนมาก่อนปุบปับเราก็จะมานั่งปฏิบัติให้บรรลุนับผลนิพพานก็ไปไม่ได้ปฏิบัติอย่างไรก็ไปไม่ได้แม้จิตเนี่ยจะฝักใฝ่ว่าเราอยากจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเหลือเกินถึงอย่างนั้นท่านก็ไปไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากอะไร เนื่องจากว่าโลภิยะกุศ ล, ลกรรมนั้นยังไม่สมบูรณ์โลกุตรลละกุศลกรรมนั้นเกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธองค์ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีธรรมที่เป็นโลภิยะกุศ ล, ลมาโดยสมบูรณ์แล้วก็จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เช่นเดียวกันจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ได้ทรงบำเพ็ญพุทธกาลธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาโดยตลอดนั้น บารบมีเหล่านี้แหละเป็นโลกียธรรมเพื่อมุ่งบรรลุถึงสัมมาสัมปวียาณถ้าโลกียธรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วโลภุตรธรรมเนี่ยจะเกิดไม่ได้เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้บางท่านไม่เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องก็เข้าใจว่าบุคคลที่มุ่งหวังต่อการปฏิบัติธรรมแล้ว ผู้นั้นจะต้องบรรลุถึงโลกุตรธรรมทุกคนเหมือนกับที่เราวิจารณ์กันว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสแล้วพระสงฆ์จะต้องไม่มีกิเลสจะต้องไม่มีความโลภกับความหลงความโกรธความหลงต่างๆซึ่งอันนีเน้เป็นการพูดอย่างที่ไม่เข้าใจว่าพระสงฆ์เนี่ยคืออะไรและพระสงฆ์เนี่ยคือใคร เพราะว่าการที่จะปฏิบัติตนเพื่อขัดเกลากิเลสให้หมดสิน้นบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัทประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามจะต้องอาศัยการบาเพ็ญความเทียนต้องอาศัยการสั่งสมกุศลที่เป็นโลคิยปุสสเนี่ยให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะบรรลุถึงซึ่งโลกุตระทำได้เหมือนในปัจจุบันนี้ที่มีหลายท่านวิาพากษ์วิจารณ์ว่า พระสงฆ์ควรจะนั่งหลับตามุ่งไปสู่พระนิพพานไม่ควรเทศ่จะมายุ่งสารวนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมในทางโลกเขาโดยทั่วไปเช่นอย่างที่วิจารณ์การศึกษาของพระสงฆ์ในวิทยาลัยว่ามีวิชาสามัญเข้าศึกษาด้วยอะไรต่างๆเหล่าเนี้แล้วก็วิจารณ์ว่าพระน่าจะไปพระนิพพานอะไรต่างๆส่วนที่วิจารณ์กันว่า ประสงค์สมณเนรท่านจะไปทําเกษตรไปทําสวนทําไร่ทํานานั้นนะ่ะอันนั้นเป็นการวิจารณ์ที่บิดเบือนความจริงซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นประสงค์ไม่ได้ไปทําเกษตรอะไรหรอกแต่ว่าเด็กต่างหากกรงหนึ่งแต่ว่าคนไปบิดเบือนเขียนให้คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือไม่ได้แต่ว่าเรื่องการศึกษาในเรื่องของทางโลกนั้นสมณเนรที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยนี้ เป็นเด็กที่บริสุทธิ์และเป็นเด็กอยู่ในระดับที่ศึกษาเพียงชั้นประสมศึกษาขึ้นมาและเด็กเหล่านี้แหละที่เราได้ปลูกวังที่จะเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตทําไมเราจึงต้องบรรจุวิชาสามัญให้เด็กเหล่านี้ได้ศึกษาหรือให้สมเด็เนี่ยได้ศึกษ า, นนกษาที่เราให้ศึกษานั้นก็เพื่อให้ สมณเนนได้รู้จักโลกหรือขจัดความโง่ในทางโลกนั่นเองเพราะว่าพระธรรมเนี่ยมีไว้สําหรับโลกธรรมะมีไว้สําหรับชาวโลกผู้ที่จะเผยแพร่ธรรมะไปสู่จิตใจของชาวโลกนั้นจะต้องรู้เรื่องโลกแต่ถ้ามารู้เรื่องโลกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไปรู้เพื่อที่จะไปดําเนินชีวิตเหมือนชาวโลกเรารู้ว่าโลกเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไร โลกนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างมิฉะนั้นแล้วท่านลาวนี่จะทําประโยชน์แก่โลกไม่ได้เรารู้เรื่องโลกเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ไม่ใช่หมายถึงเหมือนกับคารวาสทั้งหลายรู้กันแต่รู้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงรู้ว่าชาวโลกเนี่ยเขามีการเป็นอยู่อย่างไรมีอาชีพอย่างไรมีการเจริญก้าวหน้าทางด้านประกูอย่างไร เราจะนำธรรมะไปสงเคราะห์ชาวโลกเขาได้อย่างไรเราต้องศึกษาทั้งสิ้นยังมีศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนอีกหลายอย่างในการที่ใช้เป็นเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพร่ธรรมะซึ่งเราจะต้องรู้ทั้งหมดเนี่ยสมาจะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าพระสงฆ์จะนำพระพุทธศาสนาไปปฏิสถานในประเทศอเมริกา สมมุติว่านะว่าเราจะส่งพระเนี่ยไปเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอเมริกาไม่ใช่หมายความว่านึกจะส่งใครไปก็ไปดุยดุยขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาไปถึงก็ไปเทศจะเป็นการใหญ่ไปสอนพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะทำงานให้ได้ผลหรือฝังรากแก้วของพุทธศาสนาลงในอเมริกาแล้ว ตอนที่พระสงฆ์หรือพระสงฆ์ก่อนจะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยพระสงฆ์ต้องศึกษาก่อนว่าอเมริกามันอยู่ทวีปไหนต้องรู้ก่อนว่าประเทศอเมริกาเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนพระสงฆ์จะรู้อเมริกาอยู่ที่ไหนเนี่ยพระสงฆ์ต้องเรียนอะไรต้องเรียนภูมิศาสตร์ถ้าไม่รู้ภูมิศาสตร์จะไม่รู้เลยว่าอเมริกาอยู่ที่ไหนอากาศในอเมริกามันร้อนหรือหนาว เราสงส์จะรู้ได้อย่างไรต้องเรียนภูมิศาสตร์อีกถ้าไม่เรียนภูมิวิทยาจะรู้ไม่ได้ว่าอากาศเขาเป็นอย่างไรเราไปอย่างนี้จะทนไหวไหมมันจะร้อนหรือมันจะหนาวต้องเรียนแล้วนอกจากเรียนรู้จากประเทศแล้วยังต้องเรียนรู้อีกว่าอเมริกานั้นนับถือศาสนาอะไรมาก่อนมีวัฒนธรรมอะไรอดีตของอเมริกานั้นอะก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรชาตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระสงฆ์ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของอเมริกาแล้วต้องเรียนถึงภูมิหลังของบุคคลวัาเขาประเทศเขาเนี่ยก่อร่างขึ้นมาได้อย่างไรเขานับถือศาสนาอะไรมาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนทั่งถึงปัจจุบันนี้มีศาสนาอะไรอยู่ในประเทศนี้บ้างต้องเรียนแล้วเขามีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรก็ต้องเรียนแล้วนอกจากนี้พระสงฆ์จะไปอยู่อเมริกา พระสงฆ์ก็ต้องอาศัยพัฒนาอาหารไม่มีอาหารกินพระสง์จะอยู่ได้อย่างไรตลอดจนการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยมาสนับสนุนจึงจะดําเนินงานเผยแพร่ได้พระสง์ต้องเรียนแล้วว่าฐานะของคนอเมริกันนั้นเป็นอย่างไรเขาทํามาหากินอย่างไรฐานะเศรษฐกิจในประเทศนี่เป็นอย่างไรต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ของเขาแล้วกฎหมายบ้านเมืองของเขาเป็นอย่างไรการปกครองเป็นอย่างไร การเมืองเขาเป็นยังไงสงบไหมเวลานี้หรือมีปัญหาอะไรทางการเมืองเกิดขึ้นต้องเรียนแล้วถ้ามาเรียนรู้ก่อนจะไปวางราชเงาพุทธศาสนาได้อย่างไรกฎหมายในประเทศเขาระเบียบการของเขาว่าเราจะไปตั้งวัดเราจะไปตั้งมูลนิธิตั้งองค์การเนี่ยจะตั้งในรูปไหนต้องเรียนโดยละเอียด ม, มิฉะนั้นแล้วเผยแพร่ไม่ได้เนี่ยจึงจําเป็นที่เราต้องเรียนเราเรียนในฐานะอย่างนี้ เพื่อให้รู้และนำพระธรรมไปเผยแพร่ไม่ใช่หมายความว่านึกจะเผยแพร่พระธรรมก็ไปเผยแพร่พระธรรมเนี่ยอรหมเคยพูดอกรมพระสงฆ์ว่าอยาวว่าแต่นําพุทธศาสนาไปตามประเทศเลยแม้แต่เผยแพร่ในประเทศพระสงฆ์อยู่กรุงเทพจะไปเผยแพร่ภาคอีสานพระสงฆ์จะต้องเรียนไปก่อนนะเรียนภูมิศาสตร์ในภาคนั้นไปก่อน ทั้งต้องศึกษาถึงหลักเศรษฐกิจการทำมาหากินของประชาชนสนบับธรรมเนียมในท้องถิ่นของประชาชนความเชื่อถือของประชาชนในท้องถิ่นเขาเป็นอย่างไรสังคมของเขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเอาธรรมะข้อไหนไปเผยแพร่จะไปวางหลักการอย่างไรจึงจะปักตราพุทธศาสนาได้เนี่ยพระสงฆ์ต้องเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาทางโลกของพระสงฆ์นั้นศึกษาในด้านนี้ แม้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษาแต่ไม่ใช่ศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เราศึกษาวิทยาศาสตร์ในแง่ของปรัชญาในแง่ที่เปรียบเทียบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ค้นคว้าหาความจริงในเรื่องอะไรได้บ้างกับพุทธศาสตร์สนา น, นั้นได้มีความจริงอย่างไรที่คล้ายคลึง ก, ก, กันกับหลักการเช่นนี้ แม้แต่การสอนคนสมัยใหม่ก็ต้องรู้ทุกด้านวิฉะนั้นแล้วจะพูดให้เขารู้เรื่องไม่ได้พระพุทธองค์นั้นทรงรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจึงสรรเสริญว่าทรงมีพระสัพพัญญุตยานแม้แต่การสอนธรรมะแก่ชาวนายากๆพระพุทธองค์ก็สอนได้เช่นสอนถึงเรื่องสติสมชัญญะหรือเรื่องสติปัฏฐานสีสอนให้ชาวนาเข้าใจได้ และวิธีสอนใหนชาวนาเข้าใจนั้นท่านสอนอย่างไรท่านยกเอาอุปกรณ์การทานาเครื่องมือการทานาของชาวนานี่แหละขึ้นมาเป็นข้ออุปประมาอุปรมไมชาวนาซึ่งไม่มีการศึกษาอะไรเลยเข้าใจในเรื่องสติปัฏฐานสิเพราะทรงอุปรมาอุปรไมยัยกเอาคันไถยกเอาปตักขึ้นมาเป็นตัวอยา่าง ว่าอันนั้นเรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรมันทำหน้าที่อย่างไรธรรมะข้อนี้ก็ททำหน้าที่อย่างนั้นชาวนารู้เรื่องชาวนาเข้าใจเนี่ยเพราะพระพุทธองค์ทรงรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยการเผยแพร่พระธรรมที่ทำแต่ไม่ได้ผลเพราะขาดหลักการอันนี้อย่าว่าแต่นอกประเทศเลยในประเทศนี่ก็ยังเผยแพร่กันไม่ได้ผลใครจะแสดงความสามารถหรืออวดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ เผยแพร่พุทธศาสนาได้ดีมาก่อนก็ให้ศึกษาดูว่าได้เผยแพร่ได้ดีมาแค่ไหนมีผลงานปรากฏอย่างไรบ้างเราจะพบน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าขาดหลักการส่วนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องวางหลักสูตรไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้เรียนไปเพื่อครองโลกเราไม่ได้เอาอะไรเลยแม้แต่จะขอวิทยาฐานะเทียบ ชันนั้นชั้นนี้ชั้นมัธยมชั้นปริญญาเราก็ไม่ต้องการแต่เราต้องการความรอบรู้ทั้งในทางศาสนาและในทางโลกเพื่อให้รู้จักโลกจึงจะสมเคราะห์โลกได้เรามีเหตุผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยข้ามีไว้เพื่อโลกผู้ที่จะนำธรรมะไปสู่โลกได้ต้องเป็นผู้รู้จักโลกดีเพียงพอเข้าใจในเรื่องของโลกนั่นแหละจึงจะเผยแพร่ธรรมะได้ เ, เรื่องโลกกับเรื่องธรรมเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ต้องคู่กันอยู่เสมอเพราะว่าพระพุทธศาสนามีไว้เพื่อโลกการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็คือการสงเคราะห์ต่ อ, อโลกนั่นเองแต่เราจะไปสงเคราะห์โลกได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นผู้ไม่รู้จักโลกเราต้องรู้ต้องรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงจะทาหน้าที่ได้ อย่างในสมัยอดีตในโบราณการเราที่พระสงฆ์ท่านได้ทำหน้าที่ประคับประครองรักษาชาติมารักษ า, าศาสนามาทุกๆด้านก็เพราะท่านมีความรอบรู้ในเรื่องเาล่านี้เราปฏิเสธกันไม่ได้ว่ารากฐานการศึกษานั้นเราออกมาจากศาสนาในโบราณเราเรียนหนังสือจากวัดวัดเป็นโรงเรียน แห่งแรกของประเทศไทยพระสงฆ์เป็นผู้สอนจัดระบบการศึกษา ม, มา่อนเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าระบบการพยาบาล น, นั้นก็ออกมาจากวัดการสังคมสงเคราะห์ก็ออกมาจากวัดการสอนวิชาชีพวิชาช่างทุกชนิดออกมาจากวัดวัดเป็นที่ประสิทธิ์ประสานสิ่งทั้งหลายลาเหล่านี้ให้แก่ประชากรในประเทศ และเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาติไทยเรามั่นคงมาถึงปัจจุบันและเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนานี้หวังรากลึกอยู่ภายใน จ, จิตใจของบรรพบุรุษที่เห็นคุณของพระสงฆ์และได้พากันทำนุบํารุงพระพุทธศาสนานมาก็ก็เห็นคุณเหล่านี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงซึ่งหลักธรรมเพราะว่าผู้ที่จะมุ่งไปสูน่นิพพานได้นั้น จำเป็นเละเกินว่าเราจะต้องมีโลภียธรรมเนี่ยสมบูรณ์เสียก่อนหมายถึงโลภียปุสสนเนี่ยสมบูรณ์เสียก่อนโลกุตระจึงเกิดถ้าหากว่าโลภุโลภียปุศสนละรามไม่สมบูรณ์โลกุตรธรรมก็เกิดไม่ได้อย่างผู้ที่พร่ำสอนนิพพานนะ่ะให้แกไปนิพพานจริงๆแกก็ไม่ไปไม่ได้บรลุอะไรหรอกนิพพานก็ไม่ไปโลภียธรรมก็ไม่เอาผลสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไม่ได้อะไรทั้งสองอย่าง เพราะฉะนั้นเรื่องคำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติกันอย่างไรชีวิตของครวญที่ประกอบกิจการงานต่างๆเราก็ปฏิบัติธรรมะได้และก็ใช้ธรรมะในหน้าที่การงานนั้นๆผู้ที่ทํางานอย่างผู้ที่มีธรรมะแล้วงานนั้นจะมีแต่ความเจริญความเดือดร้อนต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าธรรมะนั่นมีไว้สําหรับโลกและโลกจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธรรมะ โลกกับธรรมเนี่ยจึงไม่ควรที่จะแยกออกจากกันจะต้องเชียนคู่กันอยู่เสมอประสงค์ที่จะเผยแร่พระาศาสนาก็าต้องสงเคราะห์กับชาวโลกเท่าที่สามารถจะสงเคราะห์ได้ไม่ใช่หมายถึงพระก็คือผู้ที่รับอาหารรินสบาทจาชาวบ้านแล้วก็แล้วกัวกนชาวบ้านจะทำพิธีอะไรประมาณนีมนตร์พระไปสวดมนต์ฉันเพนพระก็อยู่ในฐานะเป็นพิธีกร มีหน้าที่ทาพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวทท่านั้นพระพุทธศาสนาไปไม่รอดแน่และถ้าพระเข้าใจว่ามีหน้าที่อย่างนั้นพระองค์นั้นก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นพุท ธ, ธายาธิหรือธรรมทาญาธิที่จะรักษาศาสนาไว้ได้จะอยู่ในฐานะคอยแบมือรับทยาทานคอยสแสวงหาราบสการะยศถาบรรดาศักดิ์ตาแหน่งเท่านั้นเองซึ่งอันนั้นไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนา พระต้องสงเพราะต่ อ, ตอชาวโลกเท่าที่สามารถจะสงเพราะได้แม้พระพุทธองค์จะบรรลุถึงสัมมาสัมพธิฺยานหรือพระอรหันต์ที่ท่านจะบรรลุถึงซึ่งโลกุตระทำแล้วเราจะสังเกตได้จากผลงานในอดีตว่าท่านยังต้องจาริกไปเพื่อสั่งสอนชาวโลกทุกแง่ทุกมุมทุกด้านให้ทุกศาสนิกชนดำเนินชีวิตในทางที่ถูกประกอบสมาอาชีพในทางที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้ครองเรือนให้สมบูรณ์ผู้ใดมีอินทรีย์แ ก, ก่กล้าก็สอนให้ไปสู่โลกยุตราชัมบรรลุถึงมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็สอนหน้าที่โลกียธรรมเนี่ยไว้พร้อมหมดโดยสมบูรณ์คาสอนเหล่านี้มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกครบถ้วนบริบูรณ์หมดมีทุกศาสทุกประเภทที่เราเข้าใจตำหรับเราเนี่ยเป็นผู้รอบรู้เฉลียวฉลาดแล้ว หรือสําเร็จแล้วมีปริญญายายาบรรมาแล้วในศาตสตร์ต่างๆแต่ถ้ามาอา่านพระไตรปิฎกแล้วก็จะรู้ตัวว่ายังโง่อีกตั้งเป็นกองในพระไตรปิฎกเนะี่ยยังมีศาสตร์อะไรที่เหนือไปกว่าที่เราศึกษาทางโลกตั้งเยอะแยะที่เราจะต้องศึกษาผลกว่ากันเนี่ยในพระพุทธศาสานานเนี่ยมีอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจถึงศาสตร์เหล่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนคนไม่รู้ว่าเพศ คืออะไรถึงจะได้เจอเพชรต้มเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งแต่ซึ่งไม่รู้คุณค่าของเพชรว่าเนี่ยคือเพชรเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าเนี่ยคือเพชรผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องหลักธรรมเหล่านี้กเหมือนกันก็ไม่เห็นว่าเราจะมีเพชรอะไรอยู่บ้างในพุทธศาสนาที่เราควรจะได้เอามาใช้เป็นหลักของการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ฉะนั้นจําเป็น เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ว่าธรรมะนั้นมีไว้สําหรับชาวโลกทุกคนจะประพฤติปฏิบัติกันโลกจะดํารงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธรรมะโลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ก็ต้องอาศัยโลกียธรรมถ้าโลกียธรรมนี้ไม่มีโดยสมบูรณ์แล้วโลกุตรธรรมนี้ก็จะเกิดไม่ได้พระพุทธองค์ถึงกับตรัสว่า บุคคลที่ไม่สมูลด้วยสิ่งหลายเหล่านี้แล้วไม่ควรอย่างลงสู่มกักอันชื่อว่านิยามและสัมสัก ม, มะตตาคำว่าไม่สมควรที่จะอย่างลงสู่มักและสัมมะตะนั้นคืออะไรคำว่ า, านิยามธรรมานั้นท่านหมายถึงตัวมกักและคำว่ามักในที่นี้ก็หมายถึงอุบายอันเป็นเครื่องนำออก อุบายที่เป็นเครื่องนําออกในที่นี้หมายถึงอุบายที่สัตว์ทั้งหลายจะพึงยกตนถอนตนให้พ้นไปจากเครื่องร้อยรับต่างๆหรือนําตนให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่านิยามธรรมาหรือเรียกว่ามรรคธรรมก็ได้ส่วนสัมมตานั้นหมายถึงอมรรคอันนี้เองที่เป็นสมัมมต่าเพราะว่าเป็นทางที่ถูกต้อง หมายถึงทางที่เดินเนี่ยเป็นทางไม่ผิดเป็นทางที่ถูกอันนั้นแหละเรียกว่าสมมัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเคพื่อมคูณอุสรกรรมที่เป็นโลภะให้เกิดขึ้นเดี๋ยก่อนเพื่อมุ่งไปสู่โลกุตตรธรรมนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไปตามลาดับขั้นและเราก็สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งโลกุตตรธรรมได้โดยไม่เดือดร้อนใหญดีกว่าที่เราจะใฝ่ฝันพระนิพพานโดยที่โลภะธรรมนั้นก็ ย, ยังไม่ได้สมบูรณ์ ซึ่งก็จะบรรลุถึงนิพพานเลยทีเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเสริมสร้างปุสวรธรรมที่เป็นโลกิยะเนี่ยให้สุบูรณ์ก่อนแล้วโลกุตรธรรมหลามนี้ก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นเป็นเรื่องของการประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรมในความหมายที่เราจะต้องเข้าใจกันไว้ในตอนนี้ส่วน เ, เรื่องวิธีการปฏิบัติ ในกระสินสิบที่ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นนั้นวิธีการปฏิบัตินี้มีไม่มากหรือวิธีเริ่มต้นเนี่ยไม่มากแต่ว่ามีเรื่องที่เราจะต้องศึกษาดังที่ได้อธิบายมาเสียยืดยาวตั้งหลายอาทิตย์ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องสภาวธรรมทั้งนั้นที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเพราะว่าวิธีการปฏิบัตินั้นนะไม่ยากเช่น เมื่อเราจะทำปัทวีกสินเราก็ไปหาดินมาทาดวงกสินเอามาปั้นแล้วก็ทำเป็นสันฐานวงกลมหน้าของดวงกสินนี้ไม่ควรจะกว้างเกินหนึ่งคืึกับสี่นิ้วตัวเราเอาเกลี้ยงขัดผิวให้เรียบอย่าให้มีริ้วรอยแม้แต่รอยฝ่ามือแม้แต่เศษหญ้าเศษผงก็อย่าให้ติดในผิวดวงกสินนั้ น, นให้เป็นดวงกระสินที่เกลี้ยงเกลา แล้วก็ดินที่ทําเป็นดวงกสินก็ควรจะเป็นดินสีอรุณสีอรุณเนี่ยหมายถึงสีตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะขึ้นจะขอบฟ้าแล้วเราก็เอาดวงกระสินนี้มาตั้งไว้เบื้องหน้าของเราห่างจากกายเราประมาณสักสองศอกําหนึ่งครึ่แล้วเราก็เอาตาเพ่งหนุไปดูดวงกสินบริกรรมในใจว่าปัสวีกับสินางปัสวีกระสินา ง, รนางหรือจะใช้คำว่าดินดิ น, ด, นดินก็ได้อย่าให้จิตฟุ้งซ้านไปในทาง เอาจิตจ่ออยู่กลางดวงกระสินเมื่อเราท่องจนกระทั่งเราจําดวงกระสินได้เพ่งยดจําดวงกสินได้แล้วเราก็ลับตาถ้าหลับตาแล้วยังเห็นดวงกระสินอันนั้นเหมือนกับลืมตาเห็นอันนี้เรียกว่าปลุก ข, ข้าฮนิมิตได้กว่านิมิตที่ติดขึ้นในใจนิมิตที่เหมือนกันกันกบลืม